เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงใหญ่ ย, ยิ่งสูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงยอมอถ่ายชีวิตของข้าพเจ้ทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าพเจ้ทุกคนได้มีโอกาสมานมัสกการพระองค์ร่วมกันของเจะทรงที่ราถิตอยู่ท่ามกลางข้าใหม้าทุกคนด้วยขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เดี๋ยวให้เราดูคลิปนี้ด้วยกันนะคะเมื่อเราได้ฟังแล้วก็ดูแล้วนะคะให้เราที่จะใคร่ควร ได้นะคะ ฉันคุกเข่าลงพราะพระองทายเพื่อฉันหาไ่ ก, ไกว่านี้พระเยซูทรงื น, รนประชพระสิริมอบแด่พระองค์รักมัน เผ่าตรึงพระเยซูองค์ผู้ไทยตอกตะปูติดไว้ไม้กลางเขนทรงลักโลกมีเลี่ยงหรือเบียงเบนยอมเหมือนเป็นนักโทษมีอดครวนสิ้นพระชนบนไม้กลางเขนแล้วความผ่องแผ่ห่างหายกายกำสวนโศกสลดหมดสิ้นทุกถิ่นมวลไม่ชื่นชวนห่วนให้ไรเบิกบาน เพียงสามวันล่วงไปไม่นานนักโลกประจักษปื้มเปรมกษสมสารพระเยซูฟื้นกายจากวายปลานร่วมสมานกับพวกเราชาวโลกาพระเยซูไถ่โลกสามรับความรอดให้ชีพปลอดมลชินสิ้นกังขารับพระพรจากบุตรวิสุทธาโฮสนาพระคิดฟื้นคืนพระชน อีสเตอร์นะคะคือวันที่ลําลึกถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระเจ้าที่ไม่ตายนะคะเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะนะคะเพราะว่าพระเยซูคริสมีชัยชนะเหนือความตายนะคะ่ะมีหลายคนไม่อยากให้เราใช้คําว่าฟื้นนะคะเพราะว่าคําว่าฟื้นใช้สําหรับคนที่ยังไม่ตายจริงๆนะคะ่ะหรือมีความหมายว่าตื่นจากสลบเท่านั้นเราต้องบอกว่าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นขึ้นจากความตายนะคะพระเยซูคริสทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงตายจริงๆนะคะเพราะได้มีการนำนาพระศพของพระองค์ไปวางไว้ในอุโมงมคะ่ะหัวใจสำคัญของคริสเตียนก็คือการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสซึ่งเป็นหลักความเชื่อที่แตกต่างจากทุกศาสนานะคะ่ะอุโมงค์ว่างเปล่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเยซูคริสเป็นขึ้น เป็นขึ้นมาจากความตายคะวันอีสเตอร์ไม่ใช่แค่เป็นวันลลึกเท่านั้นคะแต่ยังเป็นวันที่ประกาศชัยชนะของคริสเตียนด้วยคะพระวจนะของพระเจ้าเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์บันทึกในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มนะคะพระกิติคุณสี่เล่มนะคะในมัทธิวบทที่28บข้อที่หนึ่งมาระโกบทที่ 16, 1 6ข้อที่หนึ่งถึงลูกาบทที่24ข้อที่หนึ่งถึงสอง ย อ, อนบทที่20ข้อที่ 1-10 นะคะทั้งสี่เล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกมาในมัทธิวบทที่28ข้อที่ 1-10 นะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงในทันใดนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก มีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่งได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนก้อนหินนั้นสันสันฐานของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อก็ขาวเหมือนหิมะยามที่เฝ้าอยู่นั้นกลัวทูตองค์นั้นจนตัวสัน่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์ น, นั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าอย่า ก, กลัวเลย เรารูว่าเรารูแล้วว่าพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขนโพระองหาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้นมาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บัญชมอยู่นั้นแล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราก็บอกความจริงเจ้าแล้วผู้หญิงเหล่านั้นก็ไปจากอุโมงโดยเร็วทั้งกลัวทั้งยินดีวิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์ดูเถิดพระเยซูได้เสด็จพบเขาและตัดว่าจงจำ เ, เริญเฉิดยิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับเขา ว, ว่าอย่า ก, กลัวเลยจงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะพบเราที่นั่นค่ะนี่คือพระวจนะของพระเจ้าใน มัทธิวที่ี่ข้อที่1 1 0ถึงนะคะในเช้าวันอาทิตย์นะคะมารีชาวมักดาลากับมารีมันดายากอบน ะ, ะได้เดินทางไปที่อุโมงค์ที่วางพระศพเพื่อจะนำเครื่องหอมนะคะไปฉลมพระศพพระเยซูคริสต์ในทันใด น, นั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่และหินที่อยู่ปากอุโมงค์ก็ถูกกริ้งออกแล้วนะคะและมีทูตสวรรค์นุ่งผ้าขาวองค์หนึ่งนั่งอยู่บนหินนั้น ยามที่เฝ้าอยู่มงเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็กลัวนะคะจนตัวสารในพระที่ได้บันทึกไว้นะคะทูตสวรานนั้นมันบอกข่าวดีแก่ผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่า ก, กลัวเลยเรารู้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูแต่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะคะแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วและก็พาพาพวกเขานะคะไปดูที่วางพระศพซึ่งไม่มีแล้วนะคะมีแต่ผ้าที่วางอยู่นะคะหลังจากนั้นแล้ว ก็ให้ไปบอกกับสาวกของพระเยซูนะคะว่าให้ไปเจอที่การิลีเพราะว่าพระเยซูเพราะว่าพระเยซูจะไปพบพวกเขาที่นั่นนะคะพราะผู้หญิงก็รีวิ่งออกไปนะคะออกไปทั้งความกลัวแล้วก็ความชื่นชมยินดีและหลังจากนั้นเหล่าสาวกก็ได้พบพราผู้หญิงก็ได้พบกับพระเยซูคริสต์นะคะและเขาก็เชื่อขณะเมื่อพระเยซูคริสต์มีพระชนมีชีวิตอยู่นะคะพระองค์ได้บอกหลายครั้งแล้วว่าวันที่สาม พระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะวันนี้สิ่งสิ่งที่พระองค์ได้บอกนั้นเป็นความจริงแล้วนะคะอุโมงค์ที่ว่างเปล่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงพระชนอยู่นะคะดังนั้นเราจะต้องสนองตามพระว จ, จนะของพระเจ้าะคะในบ่ายวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันพี่น้องอยู่3ประการนะคะประการแรกนะคะอยากกลัวเพราะพระองค์คือผู้ชน ะ, นะคะอยากกลัว อะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้นะคะเรามักจะกลัวก่อนใช่ไหมคะยังไม่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เรามักจะกลัวก่อนนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าผู้หญิงนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเราอ่ะเราคงจะกลัวใช่ไหมคะแต่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเข้าไปหานะคะแล้วก็ได้เจอกับความจริงความกลัวในภาษาพราหมีนะคะมีความหมายว่าไม่กล้าที่จะทําสิ่งใดหรือว่าหวาดระแวงนะคะตกใจนะคะ ถ้าเราอ่านพัมพีทุกครั้งนะคะเมื่อทูตสวรรค์ปรากฏกับใครก็ตามนะคะคำแรกเลยที่ทูตสวรรค์พูดคืออะไรคะอยากกลัวเลยนะคะนี่คือคำแรกที่ทูตสวรรค์นะคะมักจะพูดก็คืออยากลัวเลยและหลังจากนั้นจะเป็นข่าวดีค่ะหลังจากนั้นจะเป็นข่าวดีและเป็นความหวังคําพูดเหล่านี้นะคะบันทึกในพัมพีมีถึง6กสิครั้งด้วยกัน ตั้งแต่ใครคะมารีใช่ไหมคะพวกเล้งแกะโยเซฟเห็นไหมคะอย่า ก, กลัวเลยเรานําข่าวดีมาอย่างท่านทั้งหลายนะคะเนาะตอนนี้เองนะคะทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏกับกลุ่มผู้หญิงที่มาหาพระเยซูแล้วบอกว่าอย่า ก, กลัวเลยและได้บอกความจริงกับพวกเขานะคะดังนั้นทําให้เราเห็นว่าในความกลัวมีพระพรซ่อนอยู่นะคะหลังความกลัวมีพระพรซ่อนอยู่นะคะ ในชีวิตเรานะคะเรากลัวหลายอย่างเรากลัวตายนะคะกลัวกลัวผีนะคะใช่ไหมคะกลัวไหมคะกลัวนะคะเรากลัวตายเรากลัวผีใช่ไหมคะกลัวการทดลองกลัวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเรานะคะกลัวว่าลูกจะไม่เชื่อฟังกลัวว่าโตขึ้นมาแล้วลูกจะดื้อใช่ไหมคะกลัวโน่นกลัวนี่นะคะหลายคนกลัวไม่มีเงินใช้ ทำงานนะคะหามลุ่งหามค่ำหามค่ำใช่คะกลัวจะไม่มีเงินใช้หลายคนกลัวภรรยาหรือกลัวสามีใช่คะความกลัวจะนำความระแวงมานะคะความกลัวจะนาความระแวงมาถ้าเรากลัวเราจะไม่กล้าทำสิ่งใดเลยนะคะถ้าวันนั้นพวกผู้หญิงกลัวแล้ววิ่งหนีไปใช่คะเขาคงจะไม่ได้รับเขาคงจะไม่รู้ความจริงอย่างแน่นอนนะคะให้เรามั่นใจว่า พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเสมอนะคะไม่ต้องกลัวสิ่งใดะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปกลัวนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินไม่ต้องไปกลัวว่าจะเอาเงินที่ไหนใช้พระเจ้ามีแผนการมีทางออกให้กับเราเสมอนะคะ ในมัทธิวบทที่6ข้อ34ก็ได้บอกไว้เราบอกเราไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าเหตุฉะนั้นอย่า ก, กระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนี้อยู่แล้วนะคะข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานนิด น, นึงนะคะตอนข้าพเจ้าเรียนจบภรคีธรรมแม ก, กิวารีนะคะซึ่งพรคีธรรมแม ก, กิวารีเนี่ยจะอยู่ในภายใต้ของมหาลัยพายัพนะคะซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่ามหาลัยพายัพเนี่ยค่าเทอมแพงมากนะคะ เหมือนกันค่ะคะ่าเทอมของพายคิธรรมตอนนั้นข้าพาเจ้าก่อนหน้านั้นข้าพาเจ้าไม่รู้ว่าค่าเทอมเท่าไหร่แต่พอตัดสินใจแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำนะคะพอรู้ว่าค่าเทอมแพงขนาดนี้นะคะก็รู้สึกกลัวเหมือนกันตอนนั้นรู้สึกกลัวจริงๆนะคะเทอมละห้0 0 0ื่นบาทนะคะเทอมละห 0,000 ่นแต่เรียนสี่ปีนะคะเรียน4ปีคิดนะคะว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจชายนะคะก็อธิษฐานกับพระเจ้า คือตอนนั้นอธิษฐานด้วยแต่ก็ยังมีความกลัวนะคะก้อนแรกที่เขาจะให้ไปไปมัดจำนะคะคือหนึ่งหมื่นบาทขนาดหนึ่งหมื่นบาทยังไม่มีเลยนะคะตอนนั้นก็รู้สึกกลัวจริงๆแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าฟังคำอธิษฐานจริงๆเพราะว่า มีโบสที่หมู่บ้านของข้าพเจ้าใช่ไหมคะก็ถวาย 5,000 ันบาทแล้วก็มีอาจารย์ที่เขาสอนอยู่ที่พระคีธรรมถวายอีกห้าพันบาทข้าพเจ้าก็มีเงินหมื่นแรกนะคะในการที่จะไปมัดจำแล้วที่เหลือล่ะคะข้าพเจ้าเอามาจากไหนข้าพเจ้าอธิฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าให้ลูกมาเรียนที่นี่แล้วพระเจ้าต้องรับผิดชอบอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้ลูกมาเรียนที่นี่แล้วพระเจ้าต้องรับผิดชอบแล้วพระเจ้าก็รับผิดชอบจริงๆค่ะเพราะว่า ตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตัวก็เลยไปกู้กอヤสอนะคะไปกู้เงินกยศตอนปีหนึ่งะคะไปกู้ประมาณ5 0,000 กว่าบาทนะคะพอกู้มาแล้วเนี่ยคือครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยหรอคะว่าจะต้องกู้เพราะว่าพอเราเรียนจบมาแล้วเราจะต้องใช้เงินคืนใช่ไหมคะก็ไปกู้ด้วยความดันทุลังค่ะไปกู้เองแต่ว่าก็ต้องมีคนมาเซ็นค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ครอบครัวก็เลยแบบยอมนะคะแต่พอขึ้นปีสองมาพระเจ้าฟังคาำวิธีฐานจริงๆเพราะว่า ทุนของสภาคิดจักค่ะเขามีทุนบุคลากร น, นะคะซึ่งเป็นทุนเต็มทุนเต็มเลยนะคะพระพเจ้าไม่ต้องจ่ายเลยเรียนสี่ปีนี่คือทุนเต็มนะคะแต่ต้องสอบต้องสอบให้ผ่านนะคะก็ขอบุณพระเจ้าที่สอบผ่านนะคะก็เลยได้ทุนนั้นมาพระเจ้าแม่นตพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะสุดท้ายแล้วเงินที่ได้จากทุนของสภาใช่ไหคะก็ใช้ เงินกอยสอที่กู้มาค่ะใช้คืนทุกบาททุกสตางค์นะคะจนข้าพเจ้าเรียนจบ4ปีโดยเงินที่พระเจ้าให้ผ่านทางสภาคิดจักนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้าจบนะคะสปีนะคะโดยที่ครอบครัวไม่ต้องออกเงินสักบาทนะคะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะบางทีเรากลัวเรากลัวไปก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้ามีแผนการพระเจ้ารู้ว่าอันไหนที่เกินกําลังเราแล้ว พระเจ้าช่วยเราอย่างแน่นอนนะคะประการที่สองนะคะเชื่อและยอมรับเชื่อและยอมรับในโรมบทที่10ข้อที่เถึงสิบได้บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจ์ของพระเจ้าด้วยปากก็นําไปสู่ความรอด ความเชื่อนำไปสู่ความรอดใครก็ตามถ้าตัดสินใจที่จะเชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนนั้นจะได้รับความรอดคะคนนั้นจะได้รับความรอดตอนนี้เราตอบในใจของเราว่าถ้าเราถ้าเราตายไปแล้วเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าร้อรหรือเปล่าคะถ้าใครไม่มั่นใจต้องทบทวนความเชื่อของเราใหม่นะคะว่าเราเชื่อร0 0เซนตเต็มหรือเปล่านะคะ มีหลายคนที่ไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะแม้แต่สาวกของพระเยซูคริสต์เองนะคะหลายคนก็ไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะคะตอนนั้นที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสาวกคนอื่นๆนะคะก็ได้บอกกับโทมัสว่าพระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาแล้วแต่โทมัสบอกว่ายัางไงคะถ้าเขาไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วแย่เข้าไปที่สีข้างเขาก็จะ ไม่เชื่อนะคะเขาก็จะไม่เชื่อเขาสงสยัยแต่เมื่อเขาพิสูจน์แล้วเขากลับถวายทั้งชีวิตรับใช้นะคะเขาถวายทั้งชีวิตรับใช้ในหนึ่งโครลินบทที่สิบห้าข้อที่สิบ็ได้บอกว่าและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความต่ให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในความบาปของตัวเองนะคะเราต้องเชื่อและยอมรับว่าพระองค์เป็น ขึ้นมาจากความตายจริงๆคะคงไม่มีใครฉลองวันเกิดให้กับคนตายใช่ไหมคะเราที่นั่งนมัสการอยู่ที่นี่ต่างมีประสบการณ์กับพระเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเชื่อแบบมั่วๆหรือเชื่อแบบเรื่อยเปื่อยนะคะแต่เราเห็นว่าพระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราและพรงเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆเราถึงเชื่อและยอมรับ เราต้องเชื่อด้วยใจด้วยนะคะเชื่อด้วยใจรับด้วยปากนะคะและต้องยืนหยัดในความเชื่อนั้นด้วยหลายคนนะคะเชื่อจริงแต่ว่าบางทีคนมาถามเป็นคริสเตียนหรือเปล่าออไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่คริสเตียนในพมพีได้บอกกับเราว่าถ้าเจ้ารับเราถ้าเรารับว่าเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้า ในโลกนี้เมื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ก็จะบอกว่าเรารู้จักเจา้าแต่ถ้าเราไม่รับเราไม่ได้บอกว่าเราเชื่อพระเจ้าหรือเราไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพระองค์ก็จะบอกว่าเราไม่รู้จักเจา้าคะเราไม่รู้จักเจา้าประการที่3นะคะประการที่สมมีชีวิตใหม่นะคะมีชีวิตใหม่ เราต้องเอาตัวเก่าหรือว่าเนื้อหนังของเราตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์นะคะและมีชีวิตใหม่เริ่มชีวิตใหม่เพื่อพระองค์เป็นชีวิตที่มีความหวังนะคะเป็นชีวิตที่มีแต่ความชื่นชมยินดีเป็นชีวิตที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้อื่นได้รู้จักกับพระองค์นะคะใช้ชีวิตโดยการเป็นพยานทั้งคําพูดและการการะทำนะคะเป็นชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลานะคะ หลังจากนี้สาวหลังจากหลังจากที่พระเยซูคริสทรง เ, เป็นขึ้นมาจากความตายใช่ไหมคะเราสาวกเนี่ยก็ได้เชื่อและรับใช้พระเจ้าหลังจากนั้นนะคะและหลายหลายคนก็ตึงชีวิตเก่าไว้กับพระเยซูคริสและรับใช้พระองค์นะคะการตึงชีวิตเก่าก็คือการที่เราเอาสิ่งที่ไม่ดีนะคะนิสัยที่ไม่ดีของเราการกระทำที่ไม่ดีของเรา ทิ้งไปให้มันไปพร้อมกับการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์คะเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วนั่นแสดงว่าเราทั้งหลายได้ตายต่อบาปแล้วคะเราเป็นคนใหม่แล้วจากภายในและพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์จะประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราคะเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเราไม่ได้ถูกปฏิรูปไม่ได้ถูกฟื้นปูไม่ได้ถูกซ่อมแซมแต่เราถูกสร้างขึ้นใหม่คะเราถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นคนใหม่ มีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่3าถึงสได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดวยการรับบัพติศมา เข้าในเข้าส่วนในการตายนั้นเพราะว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ได้บอกไว้เราไม่ต้องจ่ายค่าจ้างของความบาปที่เราได้ทำแต่พระเยซูคริสต์นะคะได้จ่ายค่าจ้างของความบาปของเราแล้วค่าจ้างความบาปของเราก็คือการที่พระองค์ทรง ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราะคะและชีวิตเก่าของเราก็ได้ถูกตรึงที่กางเขนแล้วเราจึงไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปนะคะแต่มีชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์การมีชีวิตใหม่นะคะเราจะต้องเริ่มจากใจใหม่คำพูดใหม่ความคิดใหม่มือทำในสิ่งใหม่เท้าเดินในเส้นทางใหม่รับใช้ในหน้าที่ใหม่ๆนะคะททุกสิ่งที่ใหม่ๆเมื่อเราเชื่อเราก็ได้เอาชีวิตเก่าของเรา จึงตายกับพี่เยสุคิดแล้วและมีชีวิตใหม่กับพระองค์นะคะชีวิตเก่าเราอาจจะเป็นนายมากกว่าพระเจ้าแต่เมื่อเรามีชีวิตใหม่ให้เรายอมให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราและให้พระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตของเรานะคะในสดุดีบทที่16ข้อที่ข้อที่8ได้บอกว่าข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวตอนที่ข้าพเจ้าก่อนจะมาเรียน เขาคิดทำนะคะข้าพเจ้าดื้อมากๆนะคะดื้อถึงขนาดที่แบบว่ากลับบ้านก็ดึกหาเฉียงหลายคนคงคงผ่านประสบการณ์การเฉียงผู้ใหญ่ใช่ไหมคะข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ชอบเฉียงยายตอนนี้พ่อกับแม่ข้าพเจ้าเสียแล้วนะคะข้าพเจ้าอยู่กับยายแล้วก็ยายก็เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าโดยความที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าก็ ชอบเถียงกับยายเวลาเข้าบ้านดึกใช่ไหมคะยายก็จะบน่นบ่นบ่นบ น, บ น, บ น, บนแล้วเราก็จะไม่ชอบคําบ่นนั้นแล้วก็จะเถียงเถียงเียงแล้วก็บางทีอาจจะหนีออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ข้าพเจ้ามาเรียนภาคคิ ธ, ธรรมปีแรกนะคะก็ยังมีอยู่กลับบ้านไปก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายแต่พอขึ้นปีปีหนึ่งเทอมสองนะคะแล้วขึ้นปีสอง รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปมากๆพระเจ้าเริ่มเริ่มเปลี่ยนข้าพเจ้าตั้งแบบเล็กๆล็น้อยน้อยนะคะไปจนถึงเรื่องใหญ่เลยนะคะตั้งแต่คําพูดการกระทำอะไรความคิดอะไรต่างๆนะคะพระเจ้าเปลี่ยนจริงๆและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปลี่ยนให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ถึงทุกวันนี้นะคะก็ชีวิตใหม่ใน เราทุกคนนะคะอยากจะให้เราทุกคนมีชีวิตใหม่นะคะในอีสเตอร์นี้เราจะต้องตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าของเรานะคะเพราะพระองค์อยู่กับเราเสมอให้เราตั้งพระเจ้าอยู่ตรงหน้าเราเสมอให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานะคะเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ฝ่ายร่างกายเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนตักเตือนอยู่กับเราใช่คะเหมือนการที่ข้าพเจ้าบอกนะคะว่าข้าพเจ้าไม่มีพ่อใช่คะเสียไปแล้วแต่ข้าพเจ้ามีพ่อ ฝ่ายวิญญาณค่ะนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าให้เราทุกคนนะคะเป็นกำทัรพ่อฝ่ายวิญญาณเพราะว่าถ้าเราเป็นกำทัรพ่อฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเราจะไม่สามารถเผชิญกับการทดลองหรือว่าเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะทุกวันนี้เรามีทั้งพ่อฝ่ายร่างกายและพ่อฝ่ายวิญญาณนะคะอย่า ที่สาคัญเลยคื อ, อยากรรมท้าพ่อฝ่ายวิญญาณนะคะเนาะพระเยซูไถ่โลกซามรับความรอดให้ชีพปลอดมนทินสิ้นกังขารับพระพรจากบุตรวิสุทธาโฮส น, นาพระเยซูคิดคืนพระชนนะคะให้เราพูดด้วยกันได้ัหยคะว่าสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วเอาด้วยกันนะคะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วไฮเลลืยาสันละเสริญพระเจ้าข้าพระองค์เป็นคนใหม่แล้วค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะให้เราเป็นคนใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์